ฟังตามกันนะหงู <c oughs> ฟังให้ดีเพราะไม่ค่อยจะมีเสียงแต่ก็อยากบอกอยากสอนมันเป็นความจำเป็นแต่มีการรีบด่วนด้วย้าเราไม่มี การศึกษาไม่มีอาชีพก็จะจนเรื่องนี้เรามีอาชีพศึกษาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของเราอาชีพของเราไว้จินเนื้อที่ไม่แย่งกันหาได้ในกายในใจนี่ทุกคนก็มีกายมีใจ อาชีพที่ได้จากกายจากใจนี้เวอาชีพที่สุดเจริตผลไปสู่มากสู่ผลอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเอาเป็นอาชีพได้เช่นวันหลงได้ความรู้เนี่ยทุกข์ก็ได้ความรู้ เอาเลยเกิดขึ้ว่าได้ความรู้สึกตัวอาชีพยอย่างนี้มาให้เจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บเอาอันแสดงออกให้เห็นอยู่ทุกโอกาสอาการหลังต่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับใจเนี่ยไ่ใช่ไปห า, าที่ไหนนั่งอยู่ก็รู้ได้นอนอยู่ก็รู้ได้เดินอยู่ก็รู้ได้ อยู่กติกอยู่บ่าอยู่บ้านอยู่ที่รุ่งที่ดอนรู้ได้ทั้งนั้นจึงถึกว่าสะดวกที่สุดอาการศึกษาเรื่องนี้มีคำตอบเอาเองทุกคนว่าแต่มีเยนที่วัดมีอาชีพเหมือนเราปลูกข้าวก็รู้จักต้นข้าว อะไรที่ไม่ใช่ต้นเข้าก็ไม่ต้องเอาเอาออกไปแต่ว่าการเละออกโอโต้อื่นออกอาศัยเลี้ยวแรงกำแดดกำฝนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยไม่ต้องไปกำแดดกำฝนอะไรไม่ต้องไปใช้มือใช้กำลังอะไร เพีงแต่ทำความเห็นให้ถูกต้องให้รู้จึกตัวรู้จึกตัวอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้จึกตัวรู้จึกตัวมองว่าความรู้จึกตัวเนี่งัดเอาหัดให้มันรู้เพืจะได้ใช้การหัดให้เกิดความรู้จึกตัวเนี่เหมือนกับเครื่องมือ ที่ได้ใชโดยเฉพาะกรรมาฐานเป็นวิธีหัดให้เกิดความรู้สึกตัวตัวหัดใช่เป็นแล้วก็ไม่ต้องหัดใช้ไปเลยหลับตาดูก็รู้ได้เล่นาดาก็รู้ได้เพราะความความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีอยู่ในกายในใจแล้ว หรือว่าเป็นเจ้าของติดอยู่กับกายแล้วอะไรเกิดที่กายก็รู้สึกตัวอะไรเกิดที่ใจก็รู้สึกตัวเนี่ยอันจะยากที่ตรงไห น, นผิดก็รู้สึกตัวมันถูกก็รู้สึกตัวมันสงบก็บรู้สึกตัวมันทุ่งร่านก็รู้สึกตัวให้เก็บเอาความรู้สึกตัวจากอาการต่างๆอย่าให้มันเสียไปเฉ ย, เฉย มันมาให้เราศึกษาได้บทเรียนกรรมาฐานวิธีฝึกสติเนี่ยจยนมันไม่มีอะไรให้ให้มาฝึกเมื่อมีความรู้จึกตัวมันก็หมดล่จริงต่างๆไม่แต่ความรู้จักตัวเป็นใหญ่เป็นธรรมเกิดขึ้นตีการที่ใจก็ว่างไปเลยไปเนี่ย ชีวิตที่ว่างเปล่าว่าเต็มไปด้วยความไม่มีอะไรว่างไปด้วยความีอะไรแต่ความไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรก็สุดยอดของชีวิตแต่ว่าเลียนจบระยังเกวียนจบเกวนทุกข์ยังเรียนไม่จบหรือว่าทางไม่อกุศลความสมอง วามโกูลูกหลงกยังไม่เรียนยังเรียนไม่จบเอาจนบรรพ์หมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยดับไม่เหลือเลยอาการต่างๆมีแต่มาชาติล้วนๆมาให้เราได้ช่ยถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวม่จะวุ่นวายอันอื่นเอาไปหมด ชีวิตนี่เหมือนป่าเถื่อนออกผิวไปไหนก็ได้มีโรกเป็นโรดของโลกมันชอติดโลกอะไรก็ติดง่ายกายใจเนี่ยเหมือนกับเสื้อผ้าอะไรมาเพื่อนก็ติดสีดำมาเพื่อนก็สีดำสีแดงมาเพื่อนก็สีแดงไป วุตุก็เหลือเนื้อผ้าเดินไปไปเป็นอื่นไปก็พหลวงพนลองก็เป็นภาระต่อรูปเป็นภาระต่อน้เคือกายคใจว่าละหาเวปันจากขันธ์หนักไปเลยผู้มีทุกข์คนดักความทุกข์ผู้มีสุขคนหนักความสุข ผู้มีความรักก็หนักความรักผู้มีความเฉียดชังก็หนักความเฉียดชังผู้มีความได้ก็หนักความได้ผู้มีความเสียก็หนักความเสียหล้งทั้งที่ไม่จริงไม่มีอะไรได้เลยฉุกอยู่ที่ไหนทุกอยู่ที่ไหนถึงเ่าวที่มันจะแดงความเป็นจริงกันจะไม่รู้ใช่ไหมได้ความแย่ความเก็บความต่อเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ ก็ใช่ไหมได้เลยจริงเราแน่น่ะสุขอยู่ทีไหนามาช่วยได้ไหมเจ็บปวดอยู่ที่ไหนเอาสุขมาช่วยได้ไหมเอาเงินเอทองมาช่วยได้ไหมมีเงินเท่าไหร่ช่วยได้ไหมมีลูกปีเมียช่วยได้ไหม ม, ปป ม, ไไห ม, มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องช่วยได้ไหมเจ็บคนเดียวตายคนเดียวเพราะฉะนั้นจึง ไม่ควรประมาทตเราหาให้มีความรู้จักตัวเนี่ยว่าจะจบได้เห็นเหมือนเจก็ไม่ได้เป็นผู้แจเห็นเห็นไม่ได้เป็นไปกับมันมันเจ็บก็เห็นมันเจ็บไม่ได้เป็นผู้เจ็บเห็นมั น, นไม่เป็นไปกับมัน มันตายก็เห็นมันตายเมื่อใดตายพระความตายความรู้จึกตัวนี่มันเหนือไปเหนือโลกัจเนี่เหนือการเกิดแก่เหนือการเจ็บตายแล้วเหนืออย่างนี้อะไรก็หมดรู้จึกตัวหมดแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วมีแต่ความรู้จึกตัวเป็นหน้าโลอบอยู่เสมอเพราะอหลานทั้งหลายก็คือผู้มีความรู้จึกตัวเป็นหน้าโลบ ไม่มีอะไรมาใช่กายใช่ใจถ้าว่ารู้จักตัวไม่มีอะไรเปิดเพื่อนได้หรือควางไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรมาเปิดเพื่อนได้แต่ยังเ ป, ยเป็นดุ๊ดเป็นดีก็มีสิ่งมาเปิดเพืเ่อนเรื่อยๆไปโศกก็เพื่อนร่วมโศกถ้ามีโศกทุกข์ก็จะมาเพื่อนร่วมทุกข์อีกเป็นคู่กันอยู่ จึงเหนือโลกอันนี้เลืว่าปฏิบัติธรรมชีพของเราสิขกแล้วถามไปคือเรื่องชีวิตได้ชีวิตเพราะเก็บเอาความรู้สึกตัวถ้าขยันทักหลอยก็จะไม่นานเพียงพอเหลือเช้นเหลือใช้ถ้าไม่ขยันฟุ่มเปือยจะลุยจุด ล, ล่ก็ไม่ไล่ไเลยเลยนี่อยู่ที่เก่า หลงก็เหมือนเดิมทุ ก, ก็เหมือนเดิมโกรก็เหมือนเดิมไม่เคยให้เกิดความรู้สึกตัวขนาดที่มันเกิดขึ้นไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการไม่มีการเจ็บแทนที่ก็เลยให้อะไรเอาไปเป็นเจ้าของไปจ้ใช่อะไ K, รกโกรธเมื่อไรก็โกรธใช่สุข ก, ก็สุขใช่ทุ ก, ก็ทุกเป็นอย่าง น, านั้น แต่แล้ว ก, ก็รักใช่จังก็จังก็ไปอยู่นั่นน่าจะเข็ดหลบับน่จะมองเห็นแล้วมันอะไรกันแน่มันไปทางตันสุ ก, ก็ตันทุ ก, ก็ตันได้ก็ตันเสียก็ตันไม่ได้ผ่านไปไหนไปไม่รอดมีก็ตันจนก็ตัน คนจนก็ทุกแบบคนจนคนรวยก็ทุกแบบคนรวยมีความสุขก็ทุกแบบคนมีความสุขแบบย่งกันสุขเราเกิดความแย่งกันมีความทุกเกิดแย่งกันขวางทางขวางอะไรกันทั้การเราจึงมาศึกษาลรื่นี้กันดูเรื่องนี้ก็มี ที่เดินทางไปได้แล้วขึ้นนราสาทยาพจูดพระศาสดาก็อยู่เฉพาะได้ดีแล้วง่ายๆของที่เป็นส่วนชิริว้วเขียนโหนกปวดที่แล้วของที่หงายของทีมพ่วมหงายขึ้นแล้วของที่ปิดก็เปิดออกแล้วนี่คือรู้จึกตัวเปิดได้ทั้งหมด เดวก่นมีบทเรียนอยู่ที่กายที่ใจทั้งนั้นมีความรู้สึกตัวจริงๆสัมผัสกับอะไรเกิดขึ้นก็ต้องตอบได้ทุกคนแล้วเราจึงมีอาชีพเรื่องนี้กันมาใช่อาชีพกันเจ็ดวันห้าวันเจ็วันเจ็ดเดือนเกีดไปีลองดู อาจจะไม่ถึงเจ็ดปีโดยช่อมปลาถ้าเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นมาให้เปลี่ยนความรู้จักตัวเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่ให้เปลี่ยนเด็เดเลยบทเลยทุกอยที่ไหนก็ไม่รู้จักเอาที่มันเป็นปทุกข์ไม่เคยเห็นทุกข์มีแต่ความรู้จักตัวเหมือนความอาอดสงป์กก็ไม่มี จะมีความจบปบกเชื้อโลกกมีมาโจมจากข้างส้สมองต่อความรู้จักตัวเนี่หรือจิตติสมประชัญญเป็นที่กำเนิดเกิดของกุศลทั้งหลายหลังอย่างเกิดขึ้นมาได้เองเช่นศีลเกิดขึ้นมาสมาธิเกิดขึ้นมาปัญญาเกิดขึ้นมา พอได้จากควมรู้สึกตัวมาใช่สบังธานมาใช่อ้อนบอลทำอย่างนี้อย่างนี้ก็เกิดขึ้นท้าไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่เกิดขึ้นจึงเป็นส่วนตัวของขายของมนันเดีวนี้หลายชีวิตที่เข้าถึงจุดนี้เยอะแยะ มีสอนก็อยู่ทัว่วไปเราจะาอยู่ที่ไหนกันเอาอย่างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันมีอยู่จริงๆเวลาเราศึกษาเรื่องนี้ไม่ใช่เปลี่ยวเดียวดาย หลงเขาเจ้าเคยหลงภาษาศาสตร์ก็เคยหลงคิดก็เคยคิดใครก็เคยคิดใครก็เคยสุขเคยทุกข์เหมือนกันหมดนี้ก่อนนี่ใจการเกิดอะไรเกิดเกิดไปกับใจก็เหมือนกันหมดทุกข์ก็เหมือนกันหมดสุขก็เหมือนกันหมดเหนวก็เหมือนกันหมดหนาวก็เหมือนกันหมดร้อนก็เหมือนกันหมด มันสามลักษณะเสมอกันหมดก็ใบเที่ยงก็มีเหมือนกันก็เป็นตัวก็มีเหมือนกันกวกไปใช่ตัวตนก็มีเหมือนกันไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครป้องกันได้ในรูปนี้นามนี้ถ้าปล่อยไว้ศึกษาสงบเหมือนกับสที่มีพิษ สัตว์ล่ที่สุดใจนี่มันจะเสือห้าปากหกปากต้องการอะไรก็รับใช้มันแต่และปากกินอาหารต่างกันก็หาอาหารให้คือลูกตายจนเกียจนเท่าจนตายไปก็ยังเป็นทาสของมันอยู่หนึ่ง้าบไปอยู่ เราเมื่อเกิดเราแค่ก็ต้องหลับใช้มันเสมอไปเป็นทาตของมันไปแต่ความหลงน่ะเป็นทาตของความหลงความโกรธก็ยังเป็นาธาตหลงความโกรธทั้งท่านนี้มันไม่ดีไม่รู้จักอายเวลามันหลงหลงในความคิดก็ไม่อายเลยนดื้อด้านเพราะไม่เคยฝึกไม่เคยมีความรู้จึกตัวเป็นปุถุชนขึ้นหนาไปเลย หลงก็ให้เป็นหลงอยู่ในฟรีไปเลยโกรธก็ให้โกรธทุกข์ก็ให้ทุกข์ไปเลยแล้วคนดื่อดินคนนหลายมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เหมือนเราสิ่งที่เราทุกข์คนอื่นเขาไม่ทุกข์สิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงมีในโลกนี้มันอาจจะมอง หน้ามองหลังเจะศึกษารื่องนี้กันบ้างจนจอจะเท่าไม่รู้เรื่องนี้เลยไม่รู้จักรูปไม่รู้จักนามตามความเป็นจริงหรือว่าเราเสียต้องหมดอะไรเกิดขึ้นก็เป็นตัวเป็นตนหนอกไปหมดเลยสุกก็คือเราสุก ทุ ก, ก็คือเราทุกเผด็จก็คือเราผิดถูกก็คือเราถูกดีใจคือเราดีใจเสียใจคือเราเสียใจเอาไปอ้างคนอื่นด้วยไปขวางทางคนอื่นด้วยเกิดการกัดแยงการทลาว่ากันด้วยอ๋จิตที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนมาเป็นตัวเป็นตนประตูอ๋ ตูดความไปเที่ยงว่าเป็นเราถูดความไปทุกข์ว่าเป็นตัวเราถูดความไปเชื่อตัวตนว่าตัวเราเราใดที่พัด พ, พ, พาเก่าของรักของเหายใจเอ็นพาห น, น้าควายได้เปนทุกักเสียไปเป็นทุกข์บางท่านดีมันไม่เที่ยงไปเสียใจเพื่อความไม่เที่ยงบางทัานหน่ยเป็นทุกข์ก็ยังเป็นทุกข์ประกอบเป็นทุกข์อยางนี้ เราไมารู้จักเข็ดหลับไม่ตื่นถ้ามีจิตจะตื่นแม้แต่ความหลงก็ตื่นแล้วโอ้ันหลงคิดไปตื่นมากนะถ้ามีจิตนะเหมือนส ก, กปรกแล้วช่วยกิดออกมาให้บริสุทธิ์หรือว่ามันเปืเป้อนถ้ามันคิดเนี่ยหรือว่าเป็นกรรมหมายเลขหนึง่ง จำเลยหมาเลขหนึ่งก็ว่าได้อันความคิดเนี่ยวความคิดที่ไม่ตั้งใจเนี่ยโดยเฉพาะความหลงเนี่ยแหละตัวการเป่นหล ะ, หละเวลาเราสร้างอาชีพวันนี้จะได้ตรงนี้นความหลงก็ได้ความรู้ปวดเดือนเมืองต้นวันมาให้รู้ไม่ใช่หมาให้หลงมันทุกข์ก็มาให้รู้บวดเดือนตัวเลี่ยง มันผิดก็มาให้ลูกมันถูกก็มาให้ลู่มันสงบ ก, ก็มาให้ลู่มันผู้ช้านก็มาให้ลู่ไม่ใช่มาให้เป็นของงันไปนี่เลยว่ปาปฏิบัติคือโต้อตอบทักท้วงตรวจสอบอย่าจำน้นอย่าลอบลอบับกับบาการที่เกิดขึ้นกับคกายกับใจมีให้เราศึกษาอยู่นะ ไม่ใช่ฝีไม่รู้อะไรเลยแต่มาเท่านั้นไม่รู้อะไรเลยแสดงว่าไปอยู่กับเขาทั้งหมดเป็นผู้ไม่รู้เป็นผู้รู้ไปมันเป็นไปแต่รู้จักตัวมันไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้เห็นมันไม่รู้ห่วมรู้จักตัวไม่ได้ไม่ได้ดีเป็นไหนใช่ได้ อะไรลูกลก็รู้จักตัวเนี่ ย, ยกกมาานนับบนลูกก็รู้จักตัวเนี่ยโดยเพราะกรรมฐานเนี่ยกลับบารู้จักตัวที่กายยังมีอยู่เด็กมือขึ้นขั้มือลงรู้จึกตัวอยู่เนี่ยเมื่อลูกไปเนี่ยก็รู้จึกตัวอยู่เรียกมันไม่หนีไปไหนถ้าเราปลาโบเราประกอบก็เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่ประกอบเราก็ไม่ให้เรามีเราใช้ได้อากาศประเด็นอื่นไปซะ จะมีกรรมฐานเป็นที่ตั้งไหวก่อนเป็นเจ้าของไหวก่อนถัดให้เป็นที่ตั้งไววก่อนตั้งไหวในกายในใจเด้งก่อนอะไรคือขึ้นมากัลุ่กก่อนเหมือนมีดวงตาเจ้าของบ้านเข้าบ้านป้อมปาการดูข้าศึกที่จะมา ข้าจกาาึกแบบปอบข้าศิกกําลังพลความรู้สึกตัวเป็นกำลังพลปอบข้าศึกในชนะทุกเรื่องทุกเร้าชนะแปดทิศเลยสุกก็รู้เนี่ยเนี่ยทุกก็รู้เนี่ยหลงก็รู้เนี่ยความหลงเปข้าศิกความทุกข์เป็นข้าศึกกาลังพลกับความรู้จักตัวเนี่ย ทีแรกก็อาจจะไม่แม่นหลงเป็นหลงไปซะรู้เท่าไรก็ยังหลงอยู่เก้นความคิดเอาความคิดไปหยุดความคิดไปเฉลยบางทีถ้ากิบ่รู้สึกตัวเนี่ยมันจะแม่นมันจะยิงได้แม่นมีกำลังใ้เหมือนสัมผัส เท่าเดียวกันสองสองสองสองผัดในค้อมหลงก็มีควอมไม่หลงให้มันทันกันอย่างนี้เหมือนก็าสึกกําลังพลยิงให้แม่เกิดขึ้นมาอะไรเกิดยิงให้แม่อาวุธของเราคือจิตนีอะไรเกิดกันรู้จึกตัวรู้จุดตัวไปอย่างเนี้เหมือนไม่กินเนื้อที่ไม่แย่งอาชีพของใคร จะได้อดีตชอบคือชอบภาในเป็นชอบบรรพเซิเหนือการเคยเจ็เจ็บตายเราจึงอย่าท้อถอยอย่าเบื่อ น, น่ายเอาความขยันพาทำเอาความเกียจพาหยุดให้มีศรัทธาให้มี ผมพอใจมีอาชีพจริงๆเจ้าดามีอาชีพทำนาพวกค้าเป็นอาชีพพวกค้าทำอาชีพไม่ต้องอางแดดด้างฝนเป็่ต้อง อ, อ, อ้างเหนื่อยอ้า ง, นางหนาวอางร้อนอางหนาวเราจะทำนาหลังซูฟ่าดาวสวิตซ์ล่วงไม่ได้อ้าง เราจะทำนาเออม็ดมีมัดเข้าร้อยมัดเราจะปักดำให้เสร็จร้อยมัดไปในถึงสองชั่วโมงเนี่ยันอืน่นไม่เอามาอ้างจับมัดก้าวมาปักมาปักมาปักมาปั ก, ปกจนชำนาญในการปักดำ ถ้าคนไหวจ้ำนานก็กดจะได้ต้นหนึ่งก็ก็นานหน่อยถ้าคนจ้ำดานเนี่ยเราได้ต้นหนึ่งได้เป็นสิบต้นก็มีนะเคยเคยลําดับลงดูเคยฝึกตัวเองลงดูให้มันช้ำนานมากขึ้นเกี่ยวข้าวก็ให้จ้ำนานมากขึ้นบักหลับก็ให้จ้ำนานมากขึ้นนวดข้าวก็ให้จ้ำดานมากขึ้น อะไรถ้าเราฝึกก็จำดามสมัยก่อนฝึกพุทโธเหยื่อข้ากับพุทโธรอดข้ากับพุทธโธปักลํากับพุทโธหาใจไม่เอาความยากความง่ายเอาความร้อนความหนาวจ็ดเข้าจกลงพุทโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆไปเลืมร้อนเลิมหนาวไปก็มี แต่นั่นเป็นมเิก ร, รมอันนี้ความรู้จึกตัวนี่ชัดเจนกว่านั้นอันเห็นไม่ใช่เป็นอยู่เป็นการอยู่แต่พุทโธกำลังอยู่เวลาอยู่ในพุทโธก็ไม่มีอยไรลแต่เวลาเวลาออกจากพุทโธนอนหลับ้อนฝันแล้วตื่นวันทีก็ช้า ถ้าลามีสติมันจะไม่ต้องว่าอะไรสติจะมารับใช้มาก่อนมาก่อนมาไว้ก่อนอันอื่นอะไรเกิดขึ้นก็รู้จักตัวรู้ตัวเองอยากหลมก็ไปหลงหรอกอยากทุกมก็มาทุกดอกมันไม่ถูกต้องเพราะว่าสติมันเป็นเจนชี่วัดลองรับหลัความสะอาดเมื่อสุงสปกเกิดขึ้น แล้วก็ลู้ทันนีไม่เอาเหมือนน้ำหมันกับน้านําน้ำมันเนี่ยต้องอยู่เหนือน้ํำตลอดเวลาอยากให้หน้ามาอยู่ใต้น้ําอยากอยากให้น้ำมันอยู่ใต้น้าาานําใต้ น, ตน้ําลงไปแล้วก็ยังสูงขึ้นอยู่น้าําสูงเท่าไหร่น้ำมันก็สูงยิ่งกว่าน้ํำทำเหมือนกันก like, องสูงกองใบเบีอะไรมันเหนือทุกอย่างเหนือโลกเหนือโลก สุดยอดมองกุฎทำความไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเนี่ยมีสติมันก็ถึงความไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรก็จบแค่นี้ชีวิตเราเรียนให้มันจบอย่างนี้ยจบไปไวซะตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็จํานาลกาันเกิดเจ็เจ็บตายเหนื่อเจอ เ, จอเหนื่อยเจ็บเหมือต่อได้ในปัจจุบันนี้ แต่ว่าตามภาษากระมักนิพพานนิพพานไปแล้วดับไม่เหลือแล้วความหลงก็ดับไม่เหลือแล้วความทุขกข์ก็ดับไม่เหลือแล้วความโกรธก็ดับไม่เหลือแล้วความรักความังดับไม่เหลือแล้วนิพพานไปเลยเย็นไปเลยเย็นจ้อยไปเลยถ้าอย่างดับไม่เหลือยังมีไออุ่นก็ดว้วยสัพพติสีจะนิพพาน ในผ่านชีมพิมน ล, ลองไปอเย็นสนิทก็เป็นอนุปัฏฐิเสตเนียผานในผ่านที่เย็นสนิทเมื่อมนถึงจุดนี้ล้วก็หรือว่า ม, มันมีอะไรทําอีกตั้งหวันฉันไม่ได้ทำมาเลยเลยหวือพระพุทธเจ้าตั้งหวันฉันไม่ได้ทำมาเลยเลย เป็นอย่างนั้นชีวิตเนี่ยมันจบไปแล้วณวันนี้ก็สงควรใจเวลาก็